วันนี้เป็นวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2555วันนี้โยมเท่าแก่ปฐมวันเพิ่นถวายไม้ไม้ในสวนที่เขาปลูกไว้หลวงพ่อเกวัานาจะเป็นประโยชน์ถ้าเป็นไปได้ให้พออชุจิตไปถ่ายวิดีโอไว้สักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะเพื่อเป็นหลักฐานและก็ขอให้เก็บ ใบอนุญาตทางป่าไม้ไ้ด้วยก็ดีเพื่อต่อไปภายภาคหน้าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเราก็จะได้ชี้แจงคือไม้ตัวนี้ก็คือชาวบ้านเขาปลูกในที่ของเขาเป็นของโยมเท่าแก่เป็นสิบจากนั้นก็ได้จะลื้ป่าสักคงจะปลูกยางพาราต่อไปภายภาคหน้าในเมื่อ หรือแต่ตามให้จริงถ้าเท่าแกโยมปฐมวันเท่าแก่ลานมันขายเขาคงจะหลายเงินนั่นแหะอันนี้ก่เอามาถวายวัดเมื่อถวายวัดเราก็เก็บไว้ถ้าเผื่อมีปัญหาที่ไหนที่จะต้องได้ใช้เราก็อาจจะแบ่งปันไปที่ว่าแบ่งปันลาบที่ต้นได้มาโดยชอบรมให้แกวัดอื่น ถ้าเพื่อมีความจำเป็นอันนี้เราก็จะมาเก็บไว้ก่อนแต่ที่ทั้งหมดมัน20กว่าไร่เนี่ยหลวงพ่อคือคิดว่าไม้คงจะมากอยู่ก็คงจะขอให้พี่น้องชาวบ้านหลายๆ ห, หมู่บ้านไปช่วยช่วยกันเก็บเอามาไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในพระพุทธศาสนามนไม่ใช่เกิดประโยชน์สำหรับใครอีกอย่างหนึ่งพวกเรากาลัง สร้างวัดใหม่อยู่แล้วกำลังสร้างวัดใหม่วัดอุบายสิกาคงจะได้ใช้แต่และไม้เราดิเอามาก็ต้องได้ใช้ใเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็เมื่อวานคณะแพทยศาสตร์คณะแพทย์มาจากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นอันสืบเนื่องมานานน่นแหละมาหาหลวงพ่อสองสามครั้งหละ แต่ครั้งสุดท้ายนียก็นิมนต์หลวงพ่อไปที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นพร้อมกับพระญาติโยมที่ไปทอดทอดผ้าป่าไปทอดผ้าป่าที่โรงพยาบาลศรีนครินหาทุนให้หอพิบาลสงหลวงปู่มั่นปุริทโต พอจบแล้วเขาก็ในมลไปที่โรงพยาบาลศูนย์คอนแก่นจุดประสงค์ก็คืออยากจะได้ห้องผ่าตัดห้องผ่าจะห้องผ่าตัดหัวใจเขาก็สายสไลด์ให้ดูวันนั้น ว, วิธีการเขาทำต้องการอะไรทำไมเราก็เออเออเออเอาถ้าเป็นงั้นก็ให้ ผูรับเหมาไปพบกับหลวงพ่ออีกสักครั้งหนึ่งก็ได้นะคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่เมื่อวานนั้นก็มามาที่วัดหลวงพ่อสายสไลซ์สายแผ่นให้ดูว่าเขาจะทำยังไงมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องได้ใช้ห้องนี้สรุปแล้วก็คือจังหวัดภาคอีสานของเราเนี่ยตั้งแต่โคราชขึ้นมา โมรีรามศีสเกตอุบลใจยภูมิขอนแก่นมุกดาหารคนครพนมทั้งหมดมีศูนย์หัวใจอยู่โรงพยาบาลศูนย์อยู่แห่งเดียวก็คือศูนย์ิริกิตเวลาใครเกี่ยวกับหัวใจแล้วก็แน่นหน้าอกแล้วก็เขามาส่งโรงพยาบาลเนานแ้นก็ส่งเข้ามาถ้าว่าคนรวยก็ไม่มีปัญหาลงกรุงเทพ ไปโรงพยาบาลกรุงเทพแต่ถ้ามาพวกยากจนทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ต้องมาคอยเลี่ยงคิวกันเข้าโรงพยาบาลศูนย์จุลกิจจนถึงคิวปีหนา้าผู้ที่ตายก็ตายไปผู้ที่ไม่ตายก็ได้บรชลูนบาา้างใบพัดบ้างเกี่ยวกับหัวใจแต่ในทางโรงพยาบาลอุดอรก็กําลังเริ่มโรงพยาบาลศูนย์คอนแก่นเองก็เริ่มอีกเหมือนกัน แต่อุดรเริ่มเขาก่อนนะหลวงพ่อให้ซื้อเครื่องให้ปอดหัวใจเทียมสมล้านกว่าแล้วก็ผ่าตัดหัวใจเนะี่ยล้านห้าแล้วก็เครื่องถางหน้าอกห้าแสนกว่าเครื่องช่วยหายใจรวมแล้วหลวงพ่อให้ไปเขาวนั้นเน่ยมันป่าเขาเกือบหหรือเจ็ล้านเนี่ยนะทั้งพี่น้องชาวอุดรด้วยทั้งหลวงพ่อด้วยก็ให้อุดรแต่ที่ทางค้นแกนเะนี่ยเขาอยากจะได้ห้องผ่าตัด ที่มาเมื่อวานห้องผ่าตัดคือห้องผ่าตัดมันไม่สะอาดพอพอผ่าตัดเข้าไปติดเชื้อห้องผ่าตัดหัวใจเลยจําเป็นสําคัญอย่างยิ่งเลยมาพูดกันก็เป็นอ น, นว่าเขากขยายให้ดูทั้งหมดค่าใช้จ่ายที่แรกก็ลดลงมาประมาณสองล้านห้าแต่นี่พอเพิ่มประตูเข้าไปอีกเนี่ประตูเลื่อนโดยใช้ระบบสัมผัสเนี่ย แล้วก็ฟ้าผนังทำไม่หมดเลยเพิ่มกันอีกสามแสนรวมกันแล้วก็เลยสองล้านแปดแสนมเมื่อวานอยู่เลยท่นี่ต่อรองยังไงก็ไม่ขยับขยื่นเราก็ยคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในภาคอีสานของเราแต่สำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อไม่ได้คิดอะไรมากแต่สำหรับพี่น้องประชาชน อย่างที่ว่าเนะ่ยเข้าคิวกันถึงปีหน้านูนะดาวารอโรงพยาบาลศูนย์อุดรกับศูนย์ขอนแก่นเข้ามารองรับจุดนี้ก็คงจะแบ่งเบาภาระของศูนย์ศิริกิติ์ลงเกี่ยวกับหัวใจเพราะทางภาคอีสานก็ปนมันมากทุกวันเนี่ยจะมีแต่กินของผัดของมันกินเข้าไปแล้วเกิเส้นเลือ ด, อ, ด, อ, ด, อ, ดบบอุดหัวใจบ้างเส้นเลือดตีบบ้างอุดหัวใจบ้าง คนเป็นโลกหัวใจเขามากก็น่าจะเกิดประโยชน์แต่ก็หนักหน่อยหลวงพ่อก็ได้รับปรามวานเอา้าให้สองล้านแปดเมื่อไดจะได้รับมารับเงินจะได้ใช้เงินเดือนพฤจิกาพฤจิกาทันวาหลวงพ่อเออท้าถึงขนาดนั้นกระถิมผ่านไปแล้วคงจะได้อยู่มากนะรับหลวงพ่อใจใหญ่นะ รับมูวันสองล้านแปดเพื่องป่าตัดตับข้าวก่อนนั้นล้านห้าเขาช่วยมา 5, 000, ห้าแสนยังอยู่กับหลวงพ่อล้านหนึ่งหลวงพ่อก็รับข้าวนี่ป่าเขาไปกันสามล้านแปดเอา้าไม่เป็นไรช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่หลวงพ่อพูดให้พวกเราฟังทางนี้ทางนั้นที่หลวงพ่อพูดผู้ที่เข้ามาอยู่ใกล้ชิดหลวงพ่ อ, อยัง คุณปอก็ดีเสียต้อมก็ดีใครๆก็ดีที่ก็มาใกล้หรือพวกเราทุกๆคนโยมเท่าแก่ทุกคนน่ยที่นั่งฟังจากหลวงพ่อพูดหลวงพ่อมาให้พวกเราหนักใจเนะ้ที่หลวงพ่อรับภาระในเงนค่าชื้อเครื่องมือแพทย์ก็ดีอะไรก็ดีถ้าพวกเราอยากจะสมทบเท่าไหร่ก็ได้หรือจะไม่พร้อมที่จะสมทบก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อบอกนะบอกพวกญาติโยม หลวงพ่อไปที่ไหนหลวงพ่อก็บอกพวกเราอยู่ใกล้หลวงพ่อไม่ต้องหนักใจนะถึงหลวงพ่อจะเป็นผู้รับก็หลวงพ่อพิจารณาดูแล้วว่าเป็นไปได้หลวงพ่อจึงรับแต่ถ้าหลวงพ่อดูแล้วเป็นไปไม่ได้หลวงพ่อจะไม่รับแต่หลวงพ่อพิจารณาดูแล้วว่างานชิ้นนี้เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อชาติศาสนาต่อสถาบันต่อประเทศชาติ เกิดประโยชน์หลวงพ่อมองพิจารณาดูรอบครอบแล้วไม่มีโทษมีคุณต่อลูกหลานต่อคณะทาญ า, าิโยมทุกหมู่ทุกเหล่าต่อโลกแต่หนักหน่อยคือเอา้าไม่เป็นไรเราแบกไว้ไหมแบกบหามไว้ไหมไหวถ้าไหวดูพ่อพิจารณาดูแล้วก็ไหวหลวงพ่อยังคอยรับนะถ้าไม่ไหวหลวงพ่อจะไม่รับ ดูๆแล้วไม่ไหวหลวงพ่อจะไม่รับถึงจะน้อยกว่านี้หลวงพ่อก็ไม่รับแต่นี่ถ้ามองดูแล้วไหวเกิดประโยชน์หลวงพ่อก็ได้จึงได้รับหลวงพ่อก็ยังพูดดีว่าถ้าว่าหลวงพ่อรับสุมสี่ซุมห้าโดยที่รับแล้วมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็ทำทาให้ไม่สบายใจผู้ที่อยู่ใกล้หลวงพ่อจะไม่รับ ถาว่าลวงพ่อรับสุมสี่สุมห้าอย่างนั้นนะลวงพ่อก็คงจะไม่เป็นครูบาอาจารย์ของลูกศิษย์ไปได้ครูบาอาจารย์ขาดความรอบครอบลูกศิษย์จะเป็นยังไงลูกศิษย์จะยิ่งขาดความรอบครอบไปอีกแต่ลงพอ่อคิดว่าลุงพ่อรอบครอบนะคิดว่าเป็นไปได้ไม่ให้หนักแต่ว่าพิจารณาดูทบทวนดูแล้วเป็นไปได้ แล้วหลวงพ่อจึงรับถ้าว่าเป็นไปไม่ได้หลวงพอ่อจะไม่รับเนี่ยอันนี้ก็คือการดำเนินหรือว่าการเป็นอยู่ของวัดวาศาสนาพี่น้องประชาชนเดือดร้อนทงฝ่ายวัดพอจะช่วยได้ไหมเราก็ยื่นมือเข้าไปช่วยทาวัดวาศาสนาอยู่ได้พี่น้องประชาชนก็อยู่ได้ พี่น้องประชาชนอยู่ได้วัดว า, าศาสนาก็ต้องอยู่ได้ก็เพื่อพาอาศัยกันเพราะว่าถ้าว่าวัดพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเราจะไปหาสร้างจนหรูหราโอหัเกินไปสิ่งที่ไม่จำเป็นเราก็ลัดเข็มขัดเข้าอยากไปทำที่มันไม่จาเป็นเราก็ทำในสิ่งที่พอจำเป็นเท่านั้นโปจะช่วยเหลือชุมชนอะไรได้ แล้วก็แบ่งออกไปเพื่อช่วยชุมชนให้เกิดประโยชน์นี่แหละอันนี้เราก็ต้องได้คิดเนระะการดําเนินชีวิตของพวกเรานะในทางที่ถูกต้องในหลักของพุทธศาสนาจะดําเนินอย่างไรจึงจะถูกต้องนะตามไม่จริงก็ทั้งทางโลกก็ย่าให้ขาดตกบกพร่องทั้งทางธรรมก็ย่าให้ขาดตุกบกพร่องขาดตุกบกพร่องก็ให้น้อยที่สุด แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางโลกการส่ะแสวงหาทรัพย์หาปัจจัยสี่สรุปแล้วก็คือหาเงินจะด้วยวิธีทางสุดจริตหาเงินใ้ทางสุดจริตพวกเราก็ให้หาอย่าไปขี้เกียจขี้ค้านทำอะไรทำาหยให้ดีที่สุดในการส่ะแสวงหาทรัพย์แต่จะไปคดไปโกงไปป้นไปกี้ไปเบียดไปบงังอันนั้นไม่ถูกแต่หาในทางสุดจริตในมาในทางสุดจริต อันนั้นคือทางที่ถูกต้องแต่เราเพียงแต่ว่าในการหาเงิน เ, เงินคําทรัพย์สมบัติอุดมสมบูรณ์เท่านั้นเพียงพอแล้วใช่ไหมยังยังไม่เพียงพอต้องสแสวงหาธรรมเข้าสู่จิตใจอเองคือปัจจัยที่เราหาเงินที่เราหามันถึงจะมากน้อยขนาดไหนก็มาหามาเลี้ยงร่างกายของเราให้อยู่ได้ครอบครัวของเราให้อยู่ได้ร่างกายของเราให้อยู่ได้ การเป็นอยู่ของเราให้ได้รับความสะดวกพอสมควรแต่ธรรมะเนี่ยคือเป็นเครื่องชี้นําทางด้านจิตใจถึงเราจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายอีกสักวันหนึ่งร่างกายจะต้องถึงจุดจบของมันเลี้ยงให้หนุ่มไม่มีทางจะหนุ่มไปข้างหน้าได้มีแต่แก่เลี้ยงเท่างอะไรก็แก่ไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยผลที่สุดก็ตายอันนี้คือเลี้ยงร่างกาย มันเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ในใจเหล่านในหลักของพุทธศาสนาท่านว่าใจมันอยู่ในร่างกายน่นตัวนมามธรรมตัวนั้นตัวนั้นมันไม่ตายตัวนั้นจะต้องไปเกิดในภพภูมิต่างๆตัวนั้นควรอาหารประเภทไหนให้อาหารใจท่านอันนี้ต้องศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือหักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่าน ให้อาหารใจนะให้ท่านให้อย่างไรให้อาหารในแนวความคิดนะให้อาหารในทางที่ถูกต้องทางด้านจิตใจท่านให้อย่างไรแต่ให้อาหารร่างกายเนะี่ยพวกเราให้กันมาตั้งแต่เกิดพ่อแม่ป้อนข้าวพ่อแม่เลี้ยงดูจนถึงเราก็เลี้ยงตัวเองได้จากนั้นก็สะแสวงหาทรัพย์ตนมีเงินคาทรัพย์สมบัติมีปัจจัยมีเงินขึ้นมาการเป็นอยู่ตึกลานบ้านช่อง อีพักพาอาศัยอันนี้คือปัจจัยสีทั้งนั้นคือเลี้ยงร่างกายแต่ส่วนจิตใจนั้นโดยมากถ้าว่าพวกเราไม่ได้รับการศึกษาที่ดีไม่ได้ศึกษาเธรรมคําสอนแล้วพวกเราก็หาเพียงแต่เลี้ยงร่างกายตนเองพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเลี้ยงมาเลี้ยงไปพออายุเท่าแก่ชรามา ก, กันนะั้นว้าหวีอ้าง ว, าว้างเงียบเหมาซึมเศรา้าทกใจไม่รู้จะมองไปทางไหนอีกแต่ถ้าเรามีอาหารทางด้านจิตใจ ใจของเราศึกษาธรรมะทำคําสอนของพระพุทธเจ้านํามาปฏิบัติพระพุทธเจ้าให้มีสมาธินะให้มีสติฝึกหัดสติสติสัมปะชัญญะให้มีสติอยู่กับตัวเองการจะเคลื่อนไหวไปมาทุกอริยบทให้มีสติอย่าให้เผลอในเมื่อเรามีสติอยู่กับตัวเองแล้วเราจะรู้ว่าความนึกคิดของเรานั้นคืออะไร นั่นแหละคือตัวผู้รู้คือใจนั่นแหละเอาจิตจับตัวนั้นจับดูใจนั้นในเมื่อเราดูใจของเราเราเห็นใจของเราจากนั้นก็เอากรรมฐานเข้ามาให้มันหยุดนิ่งไม่ให้มันคิดจากนั้นเอากรรมฐานเข้ามาบริกรรมใจของเราหยุดนิ่งเมื่อใจของเราสงบเราจะรู้ได้ว่าเออกายกับใจรู้ได้ชัดเจนเถอกายกับใจจากนั้นเราจะทาใจยังไง จากนั้นศึกษาอะไรต่นหาช่องทางที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาในยุคก่อนพระพุทธเจ้าตัดรู้เนี่ยพระองค์ไปค้นคว้าอยู่หกปีอยู่ในป่านี่แหละเราคนใช้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านไปค้นคว้าศึกษานั่นแหละนํามาประพฤติปฏิบัติเราจะเดินยังไงเราจะคิดยังไงคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้แหละคือวิถีทางเดินของเรา จึงจะถูกต้องคือเดินทางกายเดินทางใจด้วยทางกายก็คือจะให้ขาดตกบกพร่องในปัจจัย4การสละสวยหาทรัพย์การดูแลสุขภาพกายที่หลวงพ่อพูดที่ว่าซื้อเครื่องมือแพทย์ก็ดีให้ห้องผ่าตัดก็ดีอันนั้นคือการดูแลสุขภาพกายถ้าสุขภาพกายของเราไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการเหยียวยา สุขภาพกายของเราย่ำแย่แล้วเราจะหาความสงบสุขไม่ได้เราจะเอาธรรมะเข้าสู่ใจก็ยากมากเหมือนกับคนเจ็บคนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลหน้าบูดหน้าเบี้ยวอยู่ตลอดอก็จกอกงออยู่งั้นเราจะคิดหาธรรมะเข้าสู่จิตใจในช่วงอย่างนั้นคงจะเป็นไปได้ยากเพราะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพกายให้เข้าให้อาหารอิ่มท้องซะก่อนจึงค่อยมาพูดธรรมะกัน ถ้าหิวโหยอยู่มันพูดอะไรมันก็ไม่ได้เพราะฉนั้นปัจจัยสก็จําเป็นเหมือนกันปัจจัยสี่ต้องเลี้ยงร่างกายให้เป็นไปแล้วกดูแลสุขภาพกายให้เป็นไปปัจจัยสี่ผ้านนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยเป็นไปจากนั้นเราก็ส่อแสวงหาทางธรรมะเข้าสู่จิตใจเราจะคิดยังไงเราจะทํำยังไงใจของเราจรึงจะมีสุขภาพจิตที่ดีจากนั้นก็ เราศึกษาธรรมะเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจใจของเรามีธรรมะเข้าสู่จิตใจของเราจะสงบพร่มเย็นเป็นสุขลถ้าว่าเราใจของเราหมดกำลังใจ ใ, ใจของเราป่วยถึงร่างกายของเราจะมั่งมีสีสุขขนาดไหนแต่ใจของเราป่วยอย่าหวังเลยจะหาความสุขได้ถ้าอย่างนั้นพวกเศรษฐีพวกมั่งมีมีเงินคาทรัพสมบัติเขาไม่ฆ่าตัวตายหรอก ที่ฆ่าตัวตายก็เพราะเหตุไรนี่แหละเพราะใจป่วยใจมันหิวมันโหยใจมันทุกข์ใช่มันแก้ไม่ถูกผลในสุดกนะ็ไม่มีทางออกก็เลยฆ่าร่างกายใจสั่งฆ่าร่างกายแต่ถ้าว่าใจของเราได้รับการอบรมได้รับการแนะนาในทางที่ถูกต้องมันกายกับใจก็รู้อาหารกายคืออะไรอาหารใจคืออะไรจะปรับปรุงยังไงแก้ไขยังไง ใจของเรามันมีอารมณ์โกรธใช่ไหมโลภใช่ไหมหลงใช่ไหยขนาดโลภอย่างเดียวเท่นี้เราก็ยังมีความทุกข์ถึงจะฆ่าตัวตายถึงจะรักอย่างเดียวอย่างนี้ก็ถึงฆ่าตัวตายได้เพราะความรักความโลภอย่างน้นความโกรธก็เหมือนกันฆ่าตัวเองตายได้เพราะอะไรเพราะสุขภาพเราไม่ได้รับการอบรมในทางที่ถูกต้องถ้าเรามีธรรมะเข้าสู่จิตใจ เข้าไปปรับปรุงแก้ไขจุดนั้นเราจะโกรธไปเพื่ออะไรเราจะโลภไปเพื่ออะไรเราจะรักไปเพื่ออะไรในตัวของเรามีอะไรเราจะมองดูได้ชัดเจนพอดูมองดูชัดเจนเราก็จะเดินในทางที่ถูกต้องได้เพราะเรามีธรรมะอยู่ในใจถ้าหากว่าเราไม่มีธรรมะอยู่ในใจแล้วนั่นแหละอะไรมันไปสุดโต่งทั้งหมดผลที่สุดก็ถึงจะมีเงิน สมบัติภายนอกมากมายมหาศาลแต่ใจของเราแห้งผากมีแต่ความทุกข์อยู่ในใจผลที่สุดก็นะั้นต้องค่าร่างกายของตัวเองทิ้งฮเพื่อนหนีไม่รู้จะหนีไปไหนเกิดพบหน้าชาติหน้าก็เจออีกอย่างเก่านะ่ะยิ่ยงหนักกว่าเก่าอีกก็ไม่รู้นะเพราะเราตายแล้วไม่สูด ต, ตายแล้วเกิดอีกในหลักของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นต้องปรับปรุงแก้ไขใจของเรานะจะทํายังไงใจของเราจริงจะ รู้แจ้งเห็นจริงใจของเราจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายใจของเราจะดุดพ้นจากอาสวะกิเลสโลกโกรธหลงได้อันนี้ต้องศึกษาเนเพราะวิชาในโลกวิชาใดๆทุกอย่างในโลกนี้ต้องศึกษาทั้งนั้นมีมีใครที่จะสยามผู้รู้แจ้งด้วยตนเองดังนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนทุกท่กทกทานนะที่พูดให้ฟังนะี่จะเป็นแนวความคิดให้พวกเราได้ฟังฟังแล้วก็คิด ติดตามในความคิดเมื่อเราคิดดีเรื่องนั้คือสัมมาทิฏฐิถ้าเราคิดผิดันเป็นมิจฉาทิฏฐิใจเป็นมิจฉาทิฏฐิมันมีอยู่สองทางเดินผิดก็เดินถูกนะเราพยายามเดินให้ถูกทางจะมีแต่ความสงบรูมเย็นเป็นสุขถ้าเดินผิดทางมีแต่ความหายยนะมีแต่ความทุกข์เข้ามาสู่จิตใจนั้นพวกเราพยายามเดินตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้า เดินตามทาคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีแต่ความสงบพรมเรียนเป็นสุขรับพร อ, อนุโมทนาให้พร